ทำอย่างไรเมื่อจิตสร้างมโนภาพขึ้นมาเมื่อมันเกิดมโนภาพขึ้นมากาหนดจิตรู้เฉยอยู่ไม่ต้องไปวิภาควิจาร์อะไรกับภาพนั้นมโนภาพคือจิตเรามันสร้างขึ้นมาเองรู้จิตอยู่เฉยเฉยถ้าระวังไม่ให้จิตมันหวั่นไหวได้ดี